ราชากับออกกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาอยู่พระองค์หนึ่งนามว่าเฮนรีเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตเดิมเดิมจนถึงจุดที่เขาเตรียมความพร้อมที่จะออกท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อพบสิ่งใหม่ๆจนวันหนึง่งเขาได้ยกอาณาจักรให้รัฐมนตรีปกครองแทนชั่วคราวและถอดชุดของราชวงศ์ออกสวมแทนด้วยชุดของสามัญชนก่อนที่เขาจะออกเดินทาง เขาได้รับคำแนะนำจากพ่อมดเส้นทางที่ท่านกำลังไปไม่มีใครรู้จักมาก่อนจะมีปีศาจมากมายล่อลวงให้จิตใจของท่านดเมืดอย่าถูกล่อลวงเพียงเปลือกนอกเลือกมันอย่างช้านลาดเข้าไว้นะจำไว้ทุกอย่างที่ส่องประกายไม่ใช่ทองเห็นรี่พยักหน้าและออกเดินทาง หลังจากเดินทางได้ไม่นานเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าและตัดสินใจพักที่ใต้ต้นแอปเปิลโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีงูพิษอาศัยอยู่ที่นั่นเขาพลอยหลับไปและงูพิษก็ตรงเข้ามาพื่ที่จะกัดเขาแต่ทันใดนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งได้ผ่านมาและไล่งูพิษไปด้เกิ่งไม้เชื่ชเสียงไล่ทำให้เห็นด้วยตื่นขึ้นอะไรมีอะไรอย่างนั้นหรอ เฮนรี่สังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอมีกระและเธอมีผมหยิกแต่ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นนางได้วิ่งหนีไปนางคงตกใจในรูปลักษณ์ของข้าสินะโ อ, โ อ, โอ้ง่วงนอนชะมัดเลยไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยดีกว่าโ อ, โอ้ดูข้าสินี่มันหนุ่มหล่อชัดชัด ด้วยสิ่งหัวเราอย่างภูมิใจเขาออกเดินทางต่อไปหลังจากเดินทางเป็นเวลานานเขาได้พบกับคฤรืฮาดที่สุดโสมของอ็อกเจ้าอ็อกชวนเขาเข้ามาเล่นเกมถอยลูกเต๋าเมื่อเขาเข้าไปข้างในเฮนรี่ก็สังเกตเห็นว่าอ็อกได้กดขี่ให้หญิงสาวมาดูแลคฤรืฮาดให้เขาในหมู่พวกนางเฮนรี่สังเกตเห็นผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขา โอ้ยินดีต้อนรับรอชาเฮนรี่เป็นเกียรติยังยิ่งที่ได้เล่นเกมทอยเต๋กับเจ้าข้าจะบอกเงื่อนไขของเกมใหมได้สิเอาเลยหากเจ้าแพ้เจ้าต้องมอบของบางอย่างให้กับข้าข้าจะสร้างปราสาทหลังใหม่ให้เจ้าแต่หากข้าชนะข้าต้องการแต่งงานกับหญิงสาวหนึ่งในพวกนาง ชนะเหรอคนแปลกหน้าจากต่างอาณาจักรพยายามท้าค่าในเกมนี้แต่ยังไม่มีใครเอาชนะค่าได้สักคนเะงั้นเรามาดูกันเริ่มเกมกันเลยไหมแน่นอนดังนั้นเกมทอยลูกเต๋าจึงได้เริ่มขึ้นมันกินเวลาไปกว่าหลายชั่วโมงในที่สุดเฮนรี่ก็เอาชนะได้ yes ฮ <laughs> เป็นไงล่ะข้าชนะแล้ว อ๋ออุยโอเคก็ได้ข้าประมาณเจ้าเกินไปบอกข้าสิเจ้าต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนเมื่อมองดูหญิงสาวที่งดงามเฮนรี่ถูกล่อลวงให้แต่งงานกับหนึ่งในนั้นแต่เขาก็จำคำของพ่อหมดได้ทุกอย่างที่สองประกายไม่ใช่ทองเอ่อข้าต้องการแต่งงานกับนางเอ้าสิ ทำไมมียิ่งงามกว่านางต่างหลายคนก็จริงที่มีคนงามกว่านางแต่ที่ข้าเลือกจะแต่งงานกับนางก็เพราะข้ารู้ว่านางเป็นคนดีอ็อกพยักหน้าอย่างสับสนและเฮนรี่ก็กุมมือกับเอลซีอ๋ขอขับใจมากนะเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ เขายิ้มออกมาพวกเขาทั้งสองออกจากคริหัดของอ็อกและรีบควบม้ากลับไปยังอาณาจักรในไม่ช้าพวกเขาก็แต่งงานพิธีสมรส ถ, ถูกจัดขึ้นพ่อมดม่อวยพรให้กับคู่รักคู่ใหม่และประชาชนทั่วอาณาจักรต่างยินดีปรีดาไม่กี่วันผ่านไปเฮนรี่ก็ตัดสินใจกลับไปท้าอ็อกอีกครั้งข้าจะกลับไปเล่นเกมถอยเต๋ากับเจ้าอ็อกนั่นอีกข้าจะเอาชนะเขาอีกครั้ง ที่รักข้ากังวลว่าเจ้าอาจจะไม่มีโชคในครั้งนี้เขาอาจจะเอาชนะเจ้าได้ไม่ต้องห่วงที่รักเขาไม่มีวันเอาชนะข้าได้หรอกสาหรับข้าดวงไม่ได้ช่วยให้ชนะเกมนี้หรอกนะเจ้าช่วยข้าคิดหน่อยครั้งนี้ถ้าข้าชนะข้าจะขออะไรดีเขามีม้าขนปลุกปุยสีน้ําตาลอยู่ตัวหนึ่งในข้อของคารือหาดเอามานั้นให้ข้าเจ้าแน่ใจนะเจ้าอยากขออะไรก็ได้นะ ข้ามั่นใจที่รักเพราะนั่นคือม้าของข้านะโอ้ถ้างั้นข้าต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเอามันคืนมาให้เจ้าเมื่อพูดเช่นนั้นราชาก็ออกไปท้าออกเพื่อเล่นเกมทอยเต๋าอีกครั้งพวกเขาเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงและในที่สุดเฮนรี่ก็ชนะอีกครั้งฮา <laughs> ชนะเป็นไงล่ะเจ้าออกครั้งนี้ข้าต้องการม้าขนปุกปุยสีน้าตาลในข้อของเจ้า มันเป็นของภรรยาค้าก็ได้เจ้าเอามันไปแต่ครั้งหน้าเจ้าจะไม่โชคดีแบบนี้แนะ่เฮนรี่ขยิบตาก่อนควบม้ากลับไปหาราชนีพร้อมกับม้าขนสีน้ำตาลที่นางขอไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปเฮนรี่ก็เต็มไปด้วยความมั่นใจและกระหายที่จะเอาชนะอ็อกอีกเป็นครั้งที่สามแต่ที่รักถ้าถ้าหากเจ้าไม่ชนะล่ะ ตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วไม่มีใครเอาชนะข้าได้ในเกมถอยลูกเตา๋างั้นไม่ต้องห่วงนะข้าจะเอาชนะและเอาทุกอย่างของเขามาให้ได้จากนั้นเขาก็ไปที่คฤหาสน์ของอ็อกและเล่นด้วยกันอย่างดุเดือดแต่ว่าครั้งนี้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเฮนรี่ล้มเหลวและก็พ่ายแพ้ให้กับเจ้าอ็อกไม่ไม่จริง นี่นี่เป็นไปไม่ได้เจ้ากองข้านี่มันไม่แฟร์หยุดโวยวายได้แล้วข้าชนะตอนนี้เจ้าต้องมอบสิ่งที่ข้าต้องการและข้าต้องการลูกคนแรกของเจ้าาอย่าพยายามหลอกข้าล่ะข้าจะต้องได้ในสิ่งที่ข้าต้องการด้วยความเศร้าใจเฮนรี่พยักหน้าและกลับมายังอาณาจากักร เมื่อเข้ามาถึงเขาเล่าทุกอย่างให้ภระยาของเขาฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะเราต้องหาทางออกได้แน่หลายเดือนผ่านไปราชาและราชินีได้ให้กำเนิดบุตรชายตัวน้อยทั่วทั้งอาณาจักรต่างดีใจและเฮนรี่ก็ลืมสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับอ็อกวันหนึ่งเฮนรี่เข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์วันเวลาผ่านไปย่าว่าตะสัตว์เลยแม้แต่ผีเสื้อสักตัวเฮนรี่ก็ยังจับไม่ได้ ล ก, กลับมายังพระราชวังด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อมาถึงเขาพบว่าทหารคุ้มครองพระราชวังบาดเจ็บและควรวนข้างยังเจ็บปวดเอลซีและลูกชายของเขาได้หายตัวไปแล้วก็เราได้ขึ้นที่นี่มียักษ์เข้ามาโจมตีพระราชวังพวกเราต้านความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้แล้วเอลซีกับลูกชายของขขาละ โอ้เขาเอาราชินีแล้วเจ้าชายไปเราพยายามหยุดเขาแล้วแต่มันก็ล้มเหลวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเฮนรี่จึงจำได้เกี่ยวกับข้อตกลงที่เขาเคยให้ไว้กับออกโอ้ไม่นะเจ้าออกนั่นมาเอาสิ่งที่เขาต้องการไปแล้วแล้วข้าจะทํำยังไงดีไม่มีเบาะแสใดเลยที่จะช่วยเอลซีและลูกชายของเขาได้เฮนรี่จะไปหาพ่อมดเพื่อขอคําตอบและบอกทุกๆอย่างเกี่ยวกับข้อตกลงที่เขาไว้ให้กับออก มีเพียงทางเดียวที่ท่านจะช่วยภรรยาและลูกชายของท่านได้ท่านต้องมีดาบที่ยิ่งใหญ่ของรอยชาแห่งอกอ๋อเขาเป็นเพื่อนรักของข้าและเขาติดหนี้ข้าในตอนที่ข้าเคยช่วยเขาชนะสงครามที่สีแรนงั้นก็ดีนำสิ่งนี้ไปนี่คือไขรมังกรที่หายากเมื่อท่านได้ดาบมาใช้มันเปิดไข่ใบนี้ แล้วจะมีลูกมังกรออกมานั่นมันวิเศษไปเลยข้านึกว่ามังกรสูญพันธ์ไปแล้วซะอีกพวกมันเคยอยู่มาเป็นเวลานานตอนนี้ไข่มังกรนี้เป็นใบสุดท้ายในโลกแล้วมอบมันให้กับยักษ์เพื่อเป็นก้าวแรกเปลี่ยนในการปล่อยภรรยาและลูกชายของท่านราชาขอบใจพ่อหมดและออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขา เขาเข้าไปหาราชาแห่งโอก๊กผู้ที่มอบดาบให้แดกเขาจากนั้นก็เดินทางไปถ้ำของยักษ์พร้อมกับไข่เพื่อเข้ามาถึงถ้ำเขาวิ่งเข้าไปหาเอลซี่ที่กำลังเล่นอยู่กับลูกชายของเขาโอ้ที่รักในที่สุดท่านก็มาข้าคิดถึงพวกเจ้าสองคนมากเราก็คิดถึงท่านใครมันบังอาจเข้ามาในอาณาจักรของข้าข้าราชาเฮนรี และข้ามาเพื่อช่วยภรรยากับลูกชายของข้าแล้าอะไรทำให้เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆล่ะฮะข้ามีบางอย่างมาเสนอเจ้าแลกกับการให้เจ้าปล่อยภรรยาและลูกชายของข้าอะไรเนี่ยติดสินบนอย่างนั้นเหรอข้ า, ขาไม่รับสินบนหรอกนะแต่ข้าคิดว่าเจ้าต้องชอบสิ่นี้แน่มันพิเศษมากๆเลยนะ เฮนรี่เดินไปข้างหน้ายักแล้ววางไข่มังกรลงบนพื้นนี่มันเขาชักดาบออกมาและชูดาบขึ้นเขาฟาดลงไปที่ไข่อย่างรุนแรงมันแตกออกแล้วก็มีมังกรน้อยออกมามังกรน้อยโอ้มหาหม่นสิจ๊ะเขาบอกว่าจะได้เขามาหนาแล้วละ่ะข้าขอบใจเจ้าจริงๆเลย ้เป็นนนมะกตัวอยรออกเยรีบไปกันเถอะก่อนที่เขาจะหยุดเราอีกครั้งพวกเขาขึ้นมาและควบจากถ <The> <GE> ้ำของยักษ์ไปเฮนรี่กลับมายังพระราชวังพร้อมกับเอลซีและลูกชายของเขาเขาสั่งให้ทหารไปจับตัวอ็อกเจ้าอ็อกถูกจับกลุมและถูกขังไว้ในห้องขังหญิงสาวทั้งหมดในคฤห์ลฮ์ของเขาถูกปลดปล่อยจากอ็อก ราชาเฮนรีสาบานไว้เลยว่าเขาจะไม่เล่นเกมถอยลูกเต๋าอีกเขารู้แล้วว่าความมั่นใจเกินไปก็เป็นเรื่องแย่แต่ความโลภนั้นแย่ยิ่งกว่า